วันนี้เป็นวันเสาร์ที่22กรกดาคมพุทธศักศราช2566วันนี้ฝนตกค่อนข้างแรงเสียงก็ดังมากทำให้การฟังธรรม การแสดงธรรมนี้อาจจะไม่เป็นบรรยากาศที่จะสะดวกบรรยากาศแบบนี้น่าจะเหมาะกับการนั่งสมาธิมากกว่าคือเราจะนั่งสมาธิกันวันนี้แทนที่เราจะฟังเทศธรรมกันวิธีนั่งสมาธิก็น นั่งตามสบายพับเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้นั่งตัวให้ตรงไม่ต้องเแรลงแล้วก็มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้อย่างเดียวลมหายใจอย่างเดียวก็ได้หรือบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไป ในใจเรื่อยๆก็ได้หรือจะใช้พุทธโธกับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธหรือหายใจเข้าว่าพุทโธหายใจออกว่าพุทโธอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ที่เราจะถนัด ถ้าใช้พุโทโธไม่ได้ใช้ลมไม่ได้จะใช้บทสวดมนต์ใบนพังพางก่อนก็ได้สวดอ e ิติปิโสภะกวาหลาังสัมมาสามพุโทโธไปสวดไปภายในใจไม่ต้องรีบร้อนสวดแบบสบายสบายอย่านั่งคิดถึงเรื่องอะไรอย่าปล่อยให้ใจคิด พยายามควบคุมความคิดหยุดความคิดให้อยู่กับการภาวนาพุโทโธหรือการภาวนาดูลมหายใจเข้าออกหรือการภาวนาสวดมนต์ไปทำอย่างนี้หรือถ้าเราอยากจะท่องอาการส2สของร่างกายก็ได้ท่องไปเรื่อยๆ ผมขนเล็บวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกท่องไปจนกว่าจะครบการสาสบองแล้วท่องใหม่ท่องย้อนหลังก็กลับมาได้ก็ท่องย้อนหลังแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ทำทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบายใจเราจะนิ่งได้ แล้วจะมีความสุขแล้วถ้าเสียงฝนเบาลงแล้วก็จะมาเทศธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังต่อไปตอนนี้ลองนั่งสมาธิกันดูสักพักหนึ่งก่อนเราก็ได้มานั่งสมาธิกันประมาณเวลาก็หนึ่งชั่วโมงพอดี ก็เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าสมถภาวนาการทำใจให้นิ่งให้สงบให้มีความสุขเป็นการภาวนาขั้นที่หนึ่งก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนาได้เราต้องมีสมาธิที่มั่นคง ที่สามารถหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆได้ก่อนเมื่อเรามีความชำนาญในทางสมาธิแล้วเราค่อยไปฝึกทางวิปัสสนาคือทางปัญญาซึ่งเรามักจะทำในช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธิช่วงที่เรานั่งสมาธิเราก็ทำใจให้นิ่งให้สงบเวลาออกจากสมาธิมาแล้ว ถ้าเราไปเดินจงกรมต่อเวลานั้นเราก็สามารถใช้ให้กับการเจริญปัญญาหรือทำวิปัสสนาภาวนาได้เราต้องศึกษาธรรมชาติที่เราครอบครองอยู่เช่นร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดา ถ้าเราไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ผู้ที่ทุกข์นี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ทุกข์คือใจใจที่เป็นผู้มาครอบครองร่างกายเราต้องการจะสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายให้ยอมรับความจริงของร่างกายเราจรึงต้องหมั่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยเพื่อให้เราไม่ลืม เพื่อให้ใจยอมรับกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายให้ได้ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเราก็จะไม่ลืมถ้าเราก็จะไม่กล้าอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะความอยากนี่แหละที่จะทำให้ใจเราทุกข์ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายการที่เราจะยอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้ ใจเราต้องมีสมาธิมีอุเบกขาคือวางเฉยได้อย่างเมื่อกี้เราก็นั่งเฉยเฉยได้ถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าเราฝึกการเฉยเฉยทำใจให้เฉยเฉยไปบ่อยๆเข้าต่อไปเวลาเราเจอกับอะไรที่เราไม่ชอบเราก็จะอยู่กับมันได้เวลาที่เราเจอความแก่ของร่างกาย เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายหรือเจอความตายของร่างกายใจของเราก็เฉยจะนิ่งได้และไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายการปฏิบัตินี้ก็เพื่อดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากของใจไปอยากกับสิ่งต่างๆที่ใจไปครอบครองหรือไปเกี่ยวข้องด้วยต้องให้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราว วันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการสิ้นสุดลงมีการจากกันถ้าเรามีสติมีสมาธิมีอุเบกขาวางเฉยได้เราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเป็นเรื่องปกติของทุกอย่างที่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่างฝนฟ้าเมื่อกี้ก็ตกแล้วตอนนี้ก็จะดับจะจะหยุดแล้ว ทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ต้องเราไปจัดการกับเขาไม่ได้เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ห้ามใจเราไม่ให้ไปทุกข์กับเขาได้ถ้าเรามีสมาธิถ้าเรามีปัญญานี่นี่ก็คือเรื่องที่เรามาปฏิบัติกันในวันนี้นานๆจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติกันสักครั้งคือนั่งสมาธิ ก็หวังว่าคงจะได้รับความสงบบ้างไม่มากก็น้อยและนำมาไปปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นต่อไปสำหรับวันนี้เวลาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาเลยวาหาปูราปะรลปุเรนติสากลัง เอวเมวะอิโต e an a ินังเปตานังอุปกปฏิยุทธิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตสัพเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนาราสุยาธาเมณิโชติราสุยาธาสัพพีติยวิวัจฉาตุ สัพพโรโขวินัสสตูมาเตภวตตวันตรลายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศิริสานิจจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติพายุวันโอสุขังภาลา ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามาใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะเข้ามาถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ครับเรนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมหาน้ากุตจากทางเฟ e บุ๊ก222ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์114ยู u ูบด็อกเตอร์37วิทยุ2ครับเฮาส์7น้ากุต85รวมทั้งหมด467ท่านค่ะมีคำถามจากทางเฟ e บุ๊กค่ะ เ ร, เ, เราจะดำเนินชีวิตแบบไม่คิดอะไรเลยได้ไหมคะแบบสมองว่างๆไม่ปรุงแต่งไม่คิดแค่รับรู้เหตุการณ์ถ้าเราไม่ต้องทำงานไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครก็ทำเช่นนักบวชนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่คิดกันเขาจะรู้สักแต่ว่ารู้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ทำในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเช่นเลี้ยงชีพ ทำความสะอาดซักผ้าอาบน้ำอาบถ่านอกจาก น, นนกนั้นก็ใช้เวลาให้กับการเจริญสติเจริญปัญญาไม่คิดเบื้องต้นหัดหยุดคิดให้ได้ก่อนหยุดคิดทำจิตให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิตนเราสามารถสั่งให้หยุดได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วเราค่อยออกไปสอนให้คิดทางปัญญา เราได้เห็นคิดว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่สัมผัสอยู่นี้ล้วนเป็นใตรักทั้งนั้นคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วขราวเดี๋ยวก็จะต้องหมดไปถ้าไปอยากไปยึดไปติดก็จะต้องทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็จะต้องปล่อยวางเพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้เป็นของเราเขาเป็นของธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะเก็บให้อยู่ กับเราไปได้ตลอดนี่คือทางความคิดของนักปฏิบัติจะคิดไปทางตายรักคิดทางอริยสัจสี่แต่ถ้าช่วงทำสมาธิก็ไม่ให้คิดอะไรเลยเริ่มต้นเวลาฝึกสมาธิช่วงแรกนี้จะฝึกหยุดคิดเดินจงกรมก็ไม่ให้คิดอะไรให้ให้รู้อยู่กับการเดิน ทำอะไรก็ให้รู้อยู่อาการทากำลังปัดกวาดกาลังเดินบินธบาทกำลังทำอะไรนี้ให้รู้เฉยๆเพราะการกระทำเหล่า น, นี้ไม่ต้องใช้ความคิดคิดคิดน้อยมากคิดเพียงแต่ว่าต้องต้องหันซ้ายหยิบมือจับจับไม่กว่าจับบาทอะไรเท่านั้นเองซึ่งเป็นเรื่องไม่ต้องใช้ความคิดมากให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไร แล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งจะสงบได้แล้วพอเรานิ่งสงบได้แสดงว่าเรามีกําลังหยุดความคิดได้ต่อไปเวลาที่เราต้องการที่จะให้มันหยุดความคิดเวลาเวลากิเลสเอาความคิดไปให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เรายึดติดสิ่งนั้นสิ่งนีหงนนน้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เราก็จะใช้ สตินี้หยุดมันได้แล้วถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่าของต่างๆมันมีมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราไปควบคุมบังคับไม่ได้ใครจะเป็นอะไรอะไรจะเกิดกับใครที่ไหนเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ดังั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปวิตกเพราะการกังวลการวิตกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร นอกจากมาสร้างความทุกข์ไม่สบายใจให้กับเราเองต่างหากไปเราก็จะไม่กังวลไม่อะไรกับอะไรเพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามหรือหยุดมันได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเกิดทําให้มันดับไปเรามีหน้าที่รู้ก็รู้ไปไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมัน คำถามสัก์ทั้งบ้านค่ะคำถามสักพี่อะตอมประถมสี่ค่ะกราบเรียนหลวงพ่อครับผมไปวัดป่าถือศีลห้าสมาธิานศีลห้าบนศาลาพอลงมาจากศาลามาปัดกวาดลานวัดรู้สึกคันที่แขนก็เลยเอามือไปเกาปรากฏว่ามือไปโดนยุงยุงตายผมจะบาปไหมครับตอนเกาแขนผมมองไม่เห็นยุงครับถ้าไม่มีเจตนาไม่บาปเป็นอุบัติเหตุ คำถามจากน้องไอติมประถมสองค่ะกราบเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูกำลังกวาดลานวัดไปเจอด้วงนอนหงายต ะ, ตะกายขาอยู่หนูเลยจับด้วงไปปล่อยช่วยให้ด้วงเดินได้หนูจะได้บุญที่ช่วยด้วงไหมคะได้ความเมตตาได้ความกรุณาก็เป็นบุญทาให้ใจเราสูงขึ้นเป็นเทวดาคนที่มีความเมตตานี้จะเป็นเทวดา คนที่ไร้ความเมตตานี้เป็นเทวดาไม่ได้คำถามจากทาง Facebook ค่ะกราบนมาสการสอบถามครับวิธีปฏิบัติให้ถูกกับจริตของตนเองต้องทำยังไงครับ เ, ออเหมือนกับกินข้าวเราเลือกกับข้าวหรือเปล่าเวลาเรากินเมนต้องถามเลยใช่ไหมชอบอะไรก็กินอย่างสิ่งที่เราชอบปฏิบัติก็เหมือนกันเราชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์ไป เราชอบดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปเราชอบพุโทโธก็พุโทโธไปเราชอบเดินจงกรมมากกว่านั่งสมาธิเราก็เดินจงกรมไปอันนี้เราทำในสิ่งที่ชอบแล้วทำให้มันง่ายแล้วมันง่ายแล้วมันทำให้เกิดผลได้เร็วเราก็เอาวิธีนั้นไปทำก่อนยังไม่มีคำถามค่ะ การปฏิบัติมันก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันซึ่งแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเรื่องของการเจริญสตินี่บางคนก็ชอบใช้คำบริกรรมพุทโธก็พุทโธไปทั้งวันลืมตาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธ จะคิดก็ต่อจะหยุดพุโทโธก็ต่อเมื่อมีเรื่องที่จาเป็นจะต้องคิดเมื่อคิดเสร็จก็กลับมาพุโทโธพุธโทโธต่อบางคนก็ชอบดูการเคลื่อนไหวของร่างกายพอลืมตาขึ้นมาก็ดูร่างกายเลยว่าตอนนี้อยู่ในท่าไหนอยู่ในท่านอนกํบบาลองลุกขึ้นมานั่งก็ดูเลยเข้าดูการเคลื่อนไหวลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเดิน ไม่ให้ใจไปที่อื่นให้ใจเฝ้าร่างกายเหมือนร่างกายเป็นเป็นนักโทษใจเป็นเหมือนผู้ควบคุมไม่ให้คาดจากสายตาของผู้ควบคุมคอยควบคุมคอยดูแลการเคลื่อนไหวการกระทาต่างๆเวลาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ให้ใจอยู่กับการเคลื่อนไหวเกกับการกระทาทุกอิริยาบถของร่างกายไป อันนี้ก็เป็นการฝึกสติซึ่งแต่ละคนอาจจะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันและเวลามานั่งสมาธิบางทนก็ดูลมหายใจเขาออกไปบางคนดูลมยังไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปจนกว่าใจจะนิ่งจะเย็นพอที่จะดูลมได้ก็หยุดสวดแล้วก็หันมาดูลมต่อนี่คือวิธีการปฏิบัติซึ่งอาจารย์ ไม่เหมือนกับกันทุกคนก็ต้องทดลองเอาลองผิดลองถูกดูเอามีคำถามเข้ามาไหมมีแล้วค่ะคาถามจากทางยูทูบค่ะทาอย่างไรถึงจะได้เจอกับทำอย่างไรถึงจะได้เจอแต่กาลยานามิตรทางธรรมคะก็เลือกเอาสิเวลาเราไปซื้อของเรายังเลือกซื้อของดีได้ใช่ไหมของไม่ดีเราก็ไม่เอาอ เราเจอใครถ้าเจอคนไม่ดีแล้วก็ถอยเราก็เลี่ยงหลีกไปแต่ก็ไม่ให้เสียมารยาทไม่ให้เสียความเมตตาแต่ก็พยายามที่จะไม่ใกล้ชิดสนิทสนมด้วยเราก็ทําอย่างนี้ไปรู้จักแยกแยะคนดีจากคนไม่ดีแต่ถ้าเราไม่สามารถหาคนที่เขาดี ดีเท่าเราแล้วดีกว่าเราได้ก็ก็จงอยู่ตามลําพังดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ขาดทุนเพราะถ้าอยู่กับคนที่แย่คนที่เขาไม่ดีกว่าเราเขาจะดึงเราไปในทางที่ไม่ดีได้นนนะเพราะคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเขามีอิทธิพลกับตัวเราเขามักจะชวนเราให้ไปทําในสิ่งที่เขาชอบทำํำ แต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องฝืนไม่ต้องไปเกงใจหลวงตามหาบัวท่านเคยพูดว่าท่านไม่เกงใจใคร ท, ท, ท่านเก่งท่านเก่งธรรมเพราะถ้าเก่งใจคนทำก็แหละเะฉเราต้องการรักษาทำความดีงามต่างๆาไม่ต้องไปเกงใจ แม้จะเป็นเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือแม้กระทั่งเป็นพ่อแม่สมมตินี่นะถ้าเขาจะดึงเราไปในทางที่ไม่ดีเราก็ต้องฝืนอย่าไปทำถ้าพ่อแม่สอนให้เราไปเป็นขโมยสอนให้เราช่อโกงอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทาตามไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นอากตัญยูแต่อย่างใด แต่เราก็ยังเคารพเขาอยู่เคารพว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราแล้วเราก็ยังดูแลถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราเราพอที่จะทำอะไรทดแทนบุญคุณได้เราก็ทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะไม่ให้เขามาดึงเราสอนเราให้ไปในทางที่ไม่ดีเท่านั้นเองอนนี้คือสิ่งที่ หลวงตาบอกถ้าเราเกรงใจคนนะเขาชวนให้กินเหล้าเอาเกรงใจเพื่อนเดี๋ยวกลัวเสียเพื่อนก็กินนิหน่อยนะกินไปกินม า, มาเมาติดเลยเมาแล้วบางทีก็ชวนไปไปเที่ยวอเอกีกไปเที่ยวไปทำประพฤติผิดประเพณีอีกก็นะพากันไปตกนรกกันโดยไม่รู้สึกตัวดังน้นะนะเราต้องอย่าไปเสียดายเพื่อนแบบนี้นะเพื่อนแบบนี้มันมีแต่ทําลายไม่ได้ทําให้เราจเจริญรุ่งเรืองแต่อย่างใด ไม่ต้องเกงใจไม่ไม่ต้องไปเกงใจเขาแต่ก็มีมารยาทก็พูดปฏิเสธไปแบบสวยงามแล้วก็พยายามอย่าไปทำตามที่เขาแนะที่เขาชวนนะลองขอขอขอตัวว่าติดธุระไปนู่นมานี่หรืออะไรหรือบอกตรงๆว่าผมไม่ชอบทำอย่างนี้กับผมก็พูดไปเขาไม่พอใจก็ไม่เป็นไรดี เพราะถ้าคบกับเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีแต่จากาะตุนนะอย่ากเก่งใจคนให้เกง่งธรรมเกง่งธรรมแล้วเราจะรักษาธรรมไว้เก่งใจคนแล้วธรรมจะแหลกแทมแทมธรรมจะหมดนี่คือการครบคนต้องรู้จักแยกแยะคนดูที่เขามีศีลและธรรมหรือเปล่าเขามีความกตันยูรู้คุณหรือเปล่าเขามีสัมมาคารวะหรือเปล่า นี่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะวัดคนได้วัดที่ศีลธรรมเขาโกหกไหมเขาชอโกงไหมเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไหมเขาประพฤติผิดประเพณีไหมเขาเสพอบายามุกหรือเปล่าเดื่มสุรายาเมาเสพยาเสพติดเล่นการพนันทเทีท่ยวเตะเที่ยวตามสถานบันเทงิงตามบาร์ตามผับอะไรต่างๆเหล่านี้ นี่คือลักษณะของคนไม่ไม่ดีเราต้องเลือกเราอยู่ในโลกนี้มีมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่จะอยู่ดีๆจะให้คนดีเข้ามาเราจะเจอแต่คนดีอย่างเดียวนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่เราสามารถยากแยะคนแล้วก็เลือกคบคนที่เราเห็นว่าดีได้ต้องใช้ปัญญาคำถามสักทาง Youtube ค่ะ อัตตากับอนัตตามีจุดแตกต่างที่ชัดเจนตรงไหนครับก็ ơ, ร่างกายนี้เป็นเราแ่้วไม่ใช่ของเราล่ะถ้าเราว่าเป็นเราก็นี่ก็คืออัตตาแต่ร่างกายของคนอื่นเร า, เ ร, าเรียกว่าเป็นเราเปล่าของเราเปล่าไม่ใช่ใช่อหนี่ก็อัตตาก็ชัดเจนอนัตตาก็ชัดเจนร่างกายของคนอื่นก็เป็นอนัตตาสำหรับเรา แต่ร่างกายของเรานี่มันเป็นอัตตาสำหรับเราแต่ความจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งร่างกายของคนอื่นทั้งร่างกายของเราเป็นอนัตตาฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนทัศนคติเราต้องมองร่างกายของเราเหมือนเรามองร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเป็นอนัตตาฉันใดร่างกายของเราก็เป็นอนัตตาฉันนั้นไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงเป็นของที่เราเอามาใช้ชั่วคราวเป็นเหมือนคนรับใช้เราไม่ใช่ตัวเรา ตัวเราผู้รู้ผู้สั่งนี้ไม่ใช่ร่างกายคำถามจากทางยูทู e ค่ะจะสอนลูกสิบขวบฝึกสติอย่างไรตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศมีไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนค่ะก็สอนให้เขาทำอะไรให้เข า, เาให้เขามีสติคอยให้เขาทำอะไรก็ สิบวบก็สอนไปให้เขาทำตามที่เราสอนก็นแล้วกันสอนเราต้องสอนเขาเบื้องต้นก็ให้เราใหขารู้จักวิธีการาการดูแลร่างกายเาการใช้ร่างกายเขาอะไรตําลองนี้ไปก่อนสอนให้เขามีสติอยู่กับการาไม่ทำบาปก็ได้นะให้เขาอย่าไปทำสิ่งอะไรที่เสียหาย ก็าทำอะไรเสียหายเดือดร้อนก็ต้องห้ามปลามเข้าไปก่อนสอนให้เขาทำแต่สิ่งที่ดีให้มีสติทำกับสิ่งที่ดีเช่นสอนให้เขาใส่บาทอะไรทำนองนี้คำถามสักทางยู u b e ค่ะ ช่วงที่ท่านพระอาจารย์ให้นั่งสมาธิลูกได้เห็นความดิดดิ้นของจิตที่คอยแต่จะออกไปคิดดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ดึงกลับมาได้เป็นพักๆถ้าเกิดรู้สึกอึดอัดมากๆลูกออกมาคิดทางปัญญาก่อนได้หรือไม่เจ้าค้ากลัวมันไม่ใช่เป็นปัญญาสิมันกลัวมันจะเป็นติเลสซะมากกว่าเพราะฉะนั้น ถ้าเราฝึกสติอย่าไปทางปัญญามันเป็นการถูกกิเลสหลอกเราก็จะไม่มีวันที่จะทำให้จิตนิ่งให้สงบได้เพราะฉะนั้นควรที่จะฝืนมันสู้กับมันถ้าจะคิดก้ามมาคิดทางบทสวดมนต์แทนก็ได้บทอิติปิโสสวดไปสวดไปหลายๆจบสวดไปจนกว่ามันจะหยุดคิดแล้วเราค่อยกลับมาดูลมหายใจต่ออย่าเพิ่งไปคิดทางปัญญา คิดแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกิเลสไปมากกว่าตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะมีใครอยากจะถามบ้างไหมที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ถามได้นะถาถ้าอยากจะถามอะไระจะมีคำถามถามมีแล้วแหละถามต่อคำถามจาก y o u t u ด็อเตอร์วีค่ะ ภ, ภาวนาหลายๆแบบบริกรรมพุทธโธเดินจงกรมกําหนดอริยบทย่อยฝึกผสมผสานหรือควรเลือกแบบเดียวคะขอแคมแนะนําด้วยค่ะหมว่าไหมเนี่ยคือเขาฝึกภาวนาหลายๆแบบค่ะบริกรรมพุทธโธ บ, บ้างเดินจงกรมกําหนดเดิมจงกรมบ้างกําหนดอริยบทย่อยบ้างแล้วก็ฝึกหลายๆแบบปนปนกันนะคะควรเลือกแบบเดียวหรือทําแบบนี้ดีคะ มันก็แล้วแต่ผลนะดูที่ผลนะทำแบบไหนแล้วได้ผลดีใจนิ่งใจสงบก็เอาผลนั้นเบื้องต้นแล้วจะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนแต่เมื่อเจอเจอแนวทางที่ถูกแล้วเราก็ควรจะยึดแนวทางนั้นเป็นหลักไปต่อไปหมดแล้วเลยหมดแล้วค่ะโอเคถ้าหมดแล้ววันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอ